อยู่ที่นี่นะกิจวัตประจำวันของเรานะนะเริ่มต้นนะตั้งแต่ตีสนะีนะ่หลายคนมาที่นี่ใหม่ใหมก็บ่นว่านะต้องตื่นเช้านะนะตีสามบ้างละตีสามครึ่งบ้างละนะอาจจะเรียกว่าเป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติธรรมก็ได้นะในการที่จะต้องตื่นแต่เช้าแต่ถ้าเจ้าไปนะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะนักปฏิบัติธรรมนาะทีนะ่ตื่นเช้า ได้ทราบว่านักธุรกิจชั้นนานะของอหลายแห่งทีเดียวเราตื่นกันเช้ามากเลยนะบางคนตื่นตั้งแต่ตีสามครึ่งนะบางคนก็ตื่นตีสี่นัธุรกิจใหญ่ๆในอเมริกาเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเหมือนกับว่าจะเป็นแฟชั่นก็ได้นะคือจะนิยมตื่นเช้ากันนอนก็ดึกอยู่แล้วนะแต่ยังตื่นเช้าตื่นมาทำอะไรนะตื่นมาออกกาลังกายเนี่ยเดี๋ยวนี้เขา เคยเป็นค่านิยมนะในหมู่นักธุรกิจชั้นนำนะระดับโลกว่าเนี่ยในการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามันช่วยทำให้สุขภาพดีช่วยทำให้มีกำลังวังชาในการาทำงานที่หนักาบางทีเขาตื่นเชา้าชนที่เรียกว่านักปฏิบัติธรรมนะในเมืองไทยหลายคนนี่ก็ต้องอายไปเลยนะ ทั้งที่เร า, ารู้สึกว่าโอกาสปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องสําคัญนะแต่คนที่เขาไม่ได้สนใจการปฏิบัติธรรมนะสนใจเรื่องเงินเรื่องทองนี่เขาก็เรียกว่ามีความเพียรมีวิจัยมากนะตื่นมาตีสามครึ่งตีสี่ตีห้าครึ่งก็ถือว่าสายแล้วนะนตื่นมาตีห้าคึ่งก็เลยว่านอนอุตุแล้วเนะี่ยออกกําลังกายกันนะวิ่งก็ดีนะขี่จั ก, กรยานก็ดียกน้ําหนักนะอันส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเวลาค่อมีน้อยนะ ถ้าไม่ตื่นเช้าแบบนี้แล้วก็ไม่รู้จะเอาเวลาที่ไหนมาออกกําลังกายของข้าเห็นความสําคัญการออกกําลังกายนะส่วนนักปฏิวัติธรรมก็ต้องเห็นความสำคัญของการบริหารจิตแต่การบริหารกายก็สําคัญเหมือนกันอันนี้อันนั้นคือสิ่งที่น่าจะเอาอย่างนะคือการตื่นเช้านะเพื่อที่จะทํากิจที่สําคัญนะเช่นการออกกําลังกายหรือว่าการบริหารจิต แต่ว่าบางอย่างก็ไม่น่านะเจริญรอยตามนะอย่างเช่นซนะีอของบริษัทดิสนีย์เนี่ยตื่นมาตีสี่ตื่นมาออกกำลังกายนะระหว่างที่ออกกำลังกายเช่นขี่จักรยานจักรยานจะเป็นจักรยานอยู่กับที่นะก็ไม่ได้ขี่ปเปล่าๆนะตานนี้ก็ดูเว็บด้วยท่องเว็บนะ ขีนี่ก็อาศัยเท้านะมือนี่ว่างเนี่ยมือว่างนี่ก็เช็คอีเมลแล้วก็ท่องเว็บส่วนตาก็ดูโทรทัศน์นะแค่นี้ไม่พอนะหูยังฟังเพลงอยู่นะทําหลายอย่างเหลือเกินออกกําลังกายก็ออกนะตอบอีเมลก็ทําด้วยนะแล้วก็ท่องเว็บนะดูข่าวดูโทรทัศน์นะฟังเพลงอันนี้ก็ถือว่าอ่านะเป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เอาถอวาเป็นเรื่องน่าชื่นชมนะเป็นการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพก็คือทํำหลายอย่างพร้อมกันเพราะเขารู้สึกว่าเวลาเนี่ยมันมีน้อยนะเวลาเป็นเงินเป็นทองเพราะนั่นเนี่ยต้องทำหลายๆอย่างพร้อมกันนะแต่ว่าการทําแบบนี้เนี่ยดีมไหมทํำหลายอย่างพร้อมกันเนี่ยร่างกายอาจจะมีสุขภาพดีนะเพราะได้ออกกำลังกายแต่ว่าจิตใจเนี่ยนะอาจจะขาดสมาธิเลยในที่นี้เนี่ยเราทําตรงข้ามนะก็คือว่า ทำเป็นอย่างๆเนาะเวลากินข้าวเวลาฉันอาหารนะใจแล้วก็อยู่อาการฉันอยู่อาการกินนะถ้าเป็นนักธุรกิจเขาก็กินข้าวไปเขาก็ทำหลายอย่างพร้อมกันปากก็กินนะส่วนใจก็คิดงานบางทีตาก็ดูโทรทัศน์หูก็ฟังเพลงปากนี่ถ้าไม่ได้กินข้าวหรือเคี่ยวอาหารก็สนทนาหรือว่าคุยกันเรื่องธุรกิจนะ อันนี้นะใครๆหลายคนก็บอกเออดีนะเป็นการใช้เวลาให้มีประโยชน์ให้มีประสิทธิธภาพนะแต่ว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายเลยนะเพราะว่าการย่อยมันก็ไม่ดีนะเพราะว่าใจนี่เครียดส่วนใจนอกจากเครียดแล้วนะก็ยังไม่มีสมาธิไม่มีสติด้วยให้เวลาเรามาเรามาฝึกนะมาเจริญสติกันที่นี่เนี่ย ให้เราพยายามทำอะไรเป็นอย่างๆนะเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำนะทำทีละอย่างเวลาเราถูฟันใจเราก็อยู่กับการถูฟันนะไม่ต้องคิดอะไรเลื่อยเปื่อยหรือไม่ต้องคิดงานการจะมีอะไรต้องทำนะตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นก็เอาไว้ <c oughs> เวลาเราล้างหน้านะใจก็อยู่กับการล้างหน้านะเวลาเดินมาที่สาราใจก็รับรู้นะอยู่กับการเดินไม่ต้องถึงกับเพ่งหรอก ไม่ต้องไปเพ่งที่เท้าทีขาแค่รับรู้ว่ากําลังเดินนะทําทีลรอย่างนะแต่การทําทีลรอย่างแบบนี้เนะมันมีประโยชน์สองอย่างก็ได้นะเช่นเวลาเรากินข้าวเนี่ยเรากินอย่างมีสตินะมันก็ไม่เพียงแต่เติมอาหารให้กับร่างกายนะแต่มันยังเป็นการเติมสติให้กับจิตใจด้วยทําอย่างเดียวแต่ว่าได้สองอย่างนะไม่ใช่ทํำหลายๆอย่างพร้อมกันนะทำหลายๆอย่างพร้อมกันอาจจะไม่ได้อะไรเลยสักอย่าง ไม่ได้อะไรดีเลยสักอย่างแต่ทำอย่างเดียวนี่แหละในแต่ละขณะแต่ละขณะอาจจะได้สองอย่างเวลาเราหายใจนะแทนที่จะหายใจแบบทิ้ ง, ง, งๆคว้างๆเราหายใจแล้วก็มีสติู่อการหายใจอากาศก็จะไม่เพียงแต่นะเราไม่เพียงแต่หายใจเอาอากาศไปเลี้ยงร่างกายนะไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกายเราเท่านั้นแต่ยังเป็นการเอาความสงบเอาสติมา ทำใจให้ชุ่มเย็นนะให้มีความแช่มชื่นเบิกบานด้วยทำอย่างเดียวแต่ได้สองอย่างนะทำหลายอย่างอาจจะไม่ได้เลยเลยสักอย่างก็ได้นะและไม่ต้องกลัวนะว่าจะไม่มีเวลานะสมัยนี้คนบอกว่าโอ้ยไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่มีเวลานะเวลากลายเป็นเนี่ยเป็นทองสุดท้ายไอ้เวลาที่มีอยู่น้อยๆเนี่ยก็ไปใช้กับเรื่องที่ไม่ได้เป็นสาระสําคัญในชีวิตนะ ไอสิ่งที่สําคัญก็ไม่ได้ทำํำอ้างว่าไม่มีเวลาเนี่ยเช่นการสุดจิตนะการทําสมาธิหรือแม้แต่การดูแลพ่อแม่เดี๋ยวนี้หลายคนก็บอกว่าไม่มีเวลาแล้วจะไปเยี่ยมพ่อแม่นะงานเยอะเนะี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ตระหนักเลยว่าเวลาของพ่อแม่ก็เหลือน้อยเวลาของเราก็เหลือน้อยเหมือนกันดังนะนั้นถ้าเราอนะคิดแต่ว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาเนี่ยนะมันจะกลายเป็นว่า ให้เวลาที่มีเนี่ยถูกใช้ไปกับเรื่องที่ไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตไม่ต้องห่วงนะว่าจะไม่มีเวลาถ้าเรามีสติอยู่กับการกับเรื่องใดก็ตามเนี่ ย, เ, ย, เ, ยเวลามันจะมาเองเราจะได้สติแล้วเราก็จะรู้ว่าอะไรบางอย่างไม่ควรทำแล้วก็ทิ้งไปอะไรที่สำคัญเราก็ทำอะไรที่ไม่สำคัญก็ถ้าไม่ทิ้งก็ผัดเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราต้องรู้จักนะใช้เวลาให้เป็น โดยการอยู่กับปัจจุันขณะสมัยก่อนเราเด็กๆมันมีคำพูดว่าจงเอาอย่างกาแต่จะเอาเยี่ยงกาเอาอย่างกาคือกาเนี่มันตื่นเช้าก่อนพระที่ขึ้นด้วยซ้ําแต่อย่าเอาเยี่ยงกาพายายามกามันขี้ขมโมยนะสมัยนี้เราก็ต้องพูว่าเนี่ยจงเอาอย่าง CEO นะซีอีโนั่นก็ตื่นเช้าออกกํลาลังกายแต่จะ อ, อย่าเอาเยี่ยงซีอนะเพราะว่าเขานี่ชอบทําอะไรหลายอย่างพร้อมๆกันนะแล้วสุดท้ายก็จิตใจก็ไม่มีสติไม่มีสมาธินะ อ่าแล้วก็เตรียมรับพร